จเจริญพนทุกทุกท่านวันนี้แต่งตัวเหมือนผู้ก่อการร้ายนี่ถ้ามีหมวกไอโมงอีกใบหนึ่งก็ใช้ได้เลยนะช่วงนี้ตรุดจีนพวกเราหลายคน ก็อยังไหวจ้าไหวอะไรอยู่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรการไหวบัดพระบุตรอะไยก็สะท้อนความกระตันยูของเราสิ่งสำคัญนะไม่ว่าจะถุดจีนหรือเมื่อไหรก็ตามที่พวกเราไม่ควรละเลยคือตัวธรรมะ พยายามศึกษาพยายามปฏิบัติก็สิ่งที่เราจะได้มานี่<ม>คือความสุขความเป็นอิสระที่ยิ่งใหญ่เราอยู่กับโลกดูเหมือนจะสบายนะบางคนก็ลำบากแต่ในสายตาของผู้ปฏิบัติที่เข้าใจชีวิตจริงๆจะพบว่า ไม่มีใครมีความสุขที่แท้จริงเลยในโลกนี้เดี๋ยวก็ทูกเรื่องน้นทุกเรื่องนี้มีเรื่องให้กังวลให้เครียดอยู่ตลอดเวลาจบเรื่องหนึ่งก็เจออีกเรื่องหนึง่งเหมือนคลื่นกระทบฝั่งไม่รู้จักหมดจักสิ้นผู้มีปัญญาก็าจะเห็นว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่หรอกเต็มไปด้ย ภาระจะไม่ได้ปัญหาทำยังไงจะอยู่เหนือโลกได้คำว่าเหนือโลกก็คือโล ก, กุตระพวกเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงโล ก, กุตตะธรรมทุกคนแหละเพราะเราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เมื่อเราได้ฟังธรรมเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติไป ความทุกข์นะมันอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่กายอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราให้หนีความทุกข์ท่านสอนเราให้เผชิญหน้ากับมันเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปโดยเฉพาะจิตใจนะมีความละเอียดอ่อนมีความซับซ้อน เราจะสุขหรือเราจะทุกข์ก็อยู่ที่ใจนี่เองเราจะเป็นทาตของตัณหาหรือเราจะเป็นอิสระก็อยู่ที่ใจเรานี่เองดังนั้นถ้าเรามีสติปัญญามากพอเราก็ทุ่มเทความสนใจเมื่อเรียนรู้จิตใจตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จิตนั้นโดยธรรมชาตินะมันก็ คือสภาวะที่ทำหน้าที่รู้ทำหน้าที่รู้อารมณ์ให้จิตไปรู้รูปโดยอาศัยตาเป็นเครื่องมือจิตไปรู้เสียงโดยอาศัยหูเป็นเครื่องมือจิตไปรู้กลิ่นโดยอาศัยจมูกเป็นเครื่องมือจิตไปรู้รสโดยอาศัยลิ้นเป็นเครื่องมือจิตไปรู้ สิ่งที่มาสัมผัสนะความเย็นความร้อนความออนความแข็งความตึงไหวอนะไรเนี่ยที่กระทบกายจิตก็ไปรู้พุถะภาะทั้งหลายนะสิ่งที่มากระทบกายนะโดยมีกายเป็นเครื่องมือแล้วก็กระทบธรรมอารมณ์จิตก็ไปรับรู้ธรรมารมณ์โดยอาศัยใจเป็นเครื่องมือนะนั่นจิต มันตัวมันก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่การรู้อารมณ์ของจิตนั้นมันไม่ได้รู้อย่างบริสุทธิ์หมดจดมันรู้แบบปนเปื้อนปนเปื้อนด้วยกิเลสเวลาจิตมันทาหน้าที่ของจิตคือทำหน้าที่รับรู้อารมณ์จริงๆนะจิตมันจะไม่ทุ ก, กข์ลกคราวนี้กิเลสมันแทรกเข้ามาในจิต มันมาบงการจิตเวลาจิตจะทำหน้าที่คิดกิเลสมันก็บงการเวลาจิตไปตามอำนาจของกิเลสตามราคะโทสะตามโมหนะเวลามันจะพูดมันก็พูดไปด้วยอำนาจของกิเลสเพราราคะโทสะโมหะเก็ทำให้เราพูดเรื่องน้อนเรื่องนี้ออกไปนะเวลาเราจะทำนะ มีกิจกรรมในร่างกายเราเนี่ยก็ทําทไปด้วยอำนาจของกิเลสเองมันมาครอบนําจิตใจสั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทํางานเราั้นจิตใจของพวกเราเนี่ยโดยตัวมันเองนะมันผ่องใสแต่ว่ามันเศร้าหมองพรอบกิเลสนะที่ผ่านเข้ามาครอบนําบงการ ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้พอนาเนี่ยกิเลสจะบ่งการใจเราแทบตลอดเวลาอย่างเวลาเราจะคิดสงเกตัวเวลาเราจะคิดนะเราก็จะคิดเข้าข้างตัวเองนะส่วนใหญ่ถ้าเราคิดเข้าข้างตัวเองทะเลาะกับใครเราถูกทุกทีเลยคนอื่นไม่ถูกหรอกนะหรือเวลาคิดเนี่ยถ้าอย่างละเอียดนะ เาจคิดด้วยความเข้าใจผิดคิดเวลาคิดพวกเรารู้สึกไหมเราจะมีเราเราอย่างโ น, น้นเราอย่างนี้ถ้ามโมโหก็กูอย่างร้อนกู้อย่างนี้น่ะอารมณ์แรงๆก็กูไปเลยอารมณ์เบาๆหน่อยก็เราเวลาเราพูดในใจเนี่ยเราเรียกตัวเองว่าอะไรใครเรียกว่าเราบ้างมีไหมยกมือนหน่อยใครเรียกตัวเองว่าเรา ใครเรียกตัวเว่ากูมีไหมใครเรียกดีชั้นมีหมัห ม, ม, มไม่มีหรอกนะคงไม่มีหรอกนะดีชั้นควรจะไปเที่ยวดีหรือไม่ดีน ะ, นะส่วนใหญ่ก็จะเราอย่างโน้นเราอย่างนี้ใช่ไหมใครใครใช้เราบ้าเวลาพูดคิดในใจเราอย่างโน้นเราอย่างนี้เนี่ยมันคิดไปด้วยอนานาจโมหะนะ มันยังรู้สึกว่ามีเราอยู่นะในความเป็นจริงแล้วตัวเราเนี่ยมันไม่ได้มีจริงมันเป็นความหมายรู้ผิดๆนะไปหมายรู้ของที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราอย่างร่างกายรู้สึกไหมนี่เรานนี้เรานะที่จริงมันเป็นมัตถุเป็นก้อนธาตุของโลกเรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งช่วคราวไม่นานก็ต้องคืนเจ้าของนะ แต่ว่ามันหมายรู้ผิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเราถ้ากิเลสเราแรงอจะรู้สึกว่าร่างกายนี้คือตัวเราถ้ากิเลสเบาลงมาหน่อยจะรู้สึกว่าร่างกายเป็นของเราคนที่ฝึกจนกระทั่งกายใจมันแยกจากกันได้แยกกายแยกใจได้มันจะไม่รู้สึกว่ากายคือตัวเรานะ มันจะรู้สึกแค่ว่าร่างกายเป็นของเราไม่ใช่ตัวเราตรงนี้ใครเห็นตรงนี้บ้างแล้วยกมือสีเห็นเป็นขาวๆก็ได้นะก็มีเยอะเหมือนกันนะดีทีเดียวหละมันแสดงว่าเราสามารถแยกธาตุแยกขันได้แล้วกายมันนั่งอยู่กายมันหายใจกายมันยืนเดินนั่งนอนกายมันคูกายมันเหยียะมันเคลื่อนไหวมันหยุดนิ่ง เป็นของถูกรู้ถูกดูถ้าเราเห็นกายเป็นของถูกรู้ถูกดูได้เันจะรู้สึกเลยกกยนี้ไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเป็นของเราบ้านเป็นตัวเราไม่บ้านบ้านไม่ใช่ตัวเราแต่บ้านเป็นของเราใช่ไหมเนี่ยมันลดระดับนะตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดของเราลดระดับความสำคัญลงไปถ้าเราภาวนาะมากเข้ามากเข้านะเราจะเห็นลึกซึ้งลงไปอีก คำว่าเราคำว่าเราเนี่ยเป็นแค่ความคิดเป็นความหมายรู้ผิดเรื่องเป็นสัญญาที่วิปลาสเป็นความคิดผิดผิดไปตามอำนาจสัญญาวิปลาสเรียกคิดผิดตรงที่คิดผิดก็เรียกว่าจิตตะวิปลาสพอเราหมายรู้ผิดเราคิดผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างพวกเราเวลาคิดนเราอย่างโน้นเราอย่างนี้นะในที่สุดก็เชื่อผิดผิดะเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสเชื่อผิดผิด ว่าเรามีอยู่จริงๆมันก็มาจากไอคิดผิดนั่นแหละเวลาเราคิดทีไรมีเราทุกทีเลยไหมเ ร, นนเราอย่างน้นเราอย่างงี้อย่างถ้าพระเนี่ยถามพระวาเวลาพระคิดเนี่ยจะคิดอาตมาอย่างนั้นอาตมาอย่างงี้ไหมไม่หรอกใช่ไหมก็คิดว่าเราอย่างน้นอย่างนี้แต่ถ้าภาวนาไปไดนะ้่ล้วเข้าใจความจริงไอที่เรียกว่าเราที่เรียกว่าเรามันไม่มีจริง มันเป็นการหมายรู้ผิดๆหมายรู้ของซึ่งไม่ใช่ตัวเราของเรานะว่าเป็นตัวเราเป็นของเราร่างกายเนี่ยเราว่าเป็นของเราความจริงเป็นของโลกถ้าเราไปอยู่ในธรรมชาตินะที่กว้างๆไปอยู่บนภูเขานะไปอยู่ริมทะเลไปอยู่อะไรเนี่ยหรือเรามองท้องฟ้านะเรายะร้สึกว่าจิๆแล้วตัวเราเล็กนิดเดียว เทียบกับโลกข้างนอกล้วตัวเรานี้เดียวองไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะให้ความสําคัญตัวนะว่าเราอย่างน้นเราอย่างนี้อนะไรเนี่ยจะค่อยๆหายไปนะอย่างเวลาเราไปอยู่ในที่ล่อแหลมนะเสียงภัยจะตายหรือไม่ตายอนะไรเนียความมัอวดดีอวดเก่งอะนะจะหายไปพนระาะมันกลัวตายนะเดกจิตมันทำงานไปเรื่อยๆมันปรุงแต่งไปเรื่อยๆ เราค่อยๆเรียนรู้มันไปถึงวันนี้จะเข้าใจเวลาเรามองอะไรเนี่ยแทนที่เราจะเห็นความจริงว่ามันเป็นไตรลักษนณะ์เราก็ไปมองว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราเวลาคิดมันก็มีเราคิดขึ้นมามีความเห็นผิดมีความคิดผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกในที่สุดก็เกิดความเชื่อผิดๆนะเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสผู้ดุชนทั้งหมด เป็นพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิมีทิฏฐิที่เพี้ยนเพียนวิปลาสนะเพราะงั้นตรบใดที่เรายังเป็นผูดุชนอยู่เนี่ยทิฏฐิของเรายังไม่บริสุทธิ์หรอกต้องได้โสดาบัตขึ้นไปนะเี่จะบบริสุทธิ์นี่ทำยังไงเราจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เราก็หันดูความจรงิงความจริงในร่างกายความจริงในจิตใจ ความจริงของร่างกายมันเป็นอะไรความจริงของร่างกายก็คือมันเป็นวัตถุธาตุเวลาจะกินข้าวจะกินน้ำะนะเวลาจะขับถ่ายะนะคอยรู้สึกบ้างไม่ใช่กินข้าวก็กินแบบเมามันไปแต่ถ้าเราคอยรู้สึกว่าเนี่ยเรากำลังกินธาตุเข้าไปนะกินวัตถุธาตุเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายธาตุบางส่วนออกไปมีธาตุที่หมุนเวียนอยู่เรื่อย หรือเราหายใจนะหายใจเข้าเนี่ยเอ า, าธาตุเข้าไปหายใจออกก็เอ า, าธาตุออกไปมีาธาตุที่หมุนเวียนอยู่เราดื่มน้ำเข้าไปนะแล้วเราก็ฉี่ออกไปแล้วเป็นเงือออกไปเนะนี่ยมีาธาตุไหลเข้าแล้วก็มีาธาตุไหลออกถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายเราจะเห็นมาจริงๆแล้วร่างกายเี่นแค่วัตถุาธาตุแล้วาธาตุนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรานะาธาตุเนี้ยเรายืมของโลกมาใช้ เบื้องต้นเรายืมธาตุจากพ่อจากแม่พ่อแม่เราก็ยืมธาตุของโลกมาอีกทีหนึ่งนะัยืมอสุจิตของพ่อยืมไข่ของแม่มาแล้วมาปฏิสนทิขึ้นมาหังจากนั้นก็ได้อาศัยอาหารอาศัยน้าอาศัยอากาศนะค่อยๆหล่ อ, อเลี้ยงมาการหลอเลี้ยงในช่วงแรกก็หล่อเลี้ยงอยู่ในท้องแมนะ่ออกมาข้าง น, นอกคราวนี้ก็ธาตุหมุนเวียนด้วยตัวของตัวเอง กินอาหารได้เองนะกินนมดูดนมจุ๊บๆอะไรเงี้ยก็ดูดนมไปแล้วก็ฉี่ไปอะไรเงี้ยเนีธาตุมันหมุนอยู่พวกเราไปดูให้ดีนะคอยระลึกอยู่ในร่างกายร่างกายเราจริงๆเป็นแค่วัตถุธาตุแล้วธาตุทั้งหลายเรายืมโลกมาใช้อาหารเป็นธาตุของโลกเห็นไหขับถ่ายออกไปสิ่งที่เราขับถ่ายออกไปก็เป็นธาตุของโลก ร่างกายเราเราว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานะพอตายปุ๊บเนี่ยไม่มีตัวเราของเราแนละ้วมันก็คืนให้โลกจริงๆแล้วไม่เฉพาะตอนตายนะที่คืนธาตุให้โลกเราเอาธาตุของโลกเข้ามาแล้วเราก็คืนอยู่ตลอดเวลานะทุกวันกินข้าวเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายไปเรื่อยๆหายใจเข้าแล้วก็หายใจ อ, ออกไปเรื่อยๆดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็ไปฉีออกไปเรื่อยๆมันก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตเรา งั้นถ้าเราเฝ้าโู้เฝ้าดูลงไปนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแค่วัตถุธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชัช่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ต้องคืนเจ้าของนะจะต้องคืนเจ้าของเอาไว้ไม่ได้จริงหรอกเนี่ยเฝ้าโู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยๆบ่อยๆนะเพราะความเห็นผิดมันถูกทําลายไปนะเราหมายรู้ถูกเราหมายรู้ว่าเ อ, อร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุนะ ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราความหมายรู้ถูกนะต่อไปเวลาคิดนะมันจะไม่คิดว่าเป็นเราหรอก้คิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นของโลกนะแล้วก็ความเห็นความเห็นมันก็จะถูกขึ้นมาเรียกว่าเกิดทิฏิที่ถูกขึ้นมาเนะนี่ยมาดูจิตใจจิตใจเราเรารู้สึกว่านี่คือตัวเราจิตใจเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราแน่นแฟนยิ่งกว่าร่างกายอีก พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับปุถุชนที่ไม่ได้สดับคือคนซึ่งไม่เคยได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตใจนี่ก็ไม่ใช่ตัวเราอย่างพวกเราเนี่ยพอจะดูได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเมื่อกี้หลวงพ่อถามแล้ว หลายคนยกมือเนหะ็นแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของเราถ้าเห็นลึกซึ้งขึ้นไปอีกร่างกายนี้เป็นของโลกไม่ใช่ของเราเนี่ยความรู้ความเข้าใจมันเป็นชั้นชั้นช่านยื่นไปทีแล้วก็ร่างกายคือตัวเราต่อไปก็ลดลงร่างกายเป็นของเราต่อไปก็ร่างกายเป็นของโลกไม่ใช่ของเราแล้วจิตใจก็เหมือนกันนะไปเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจิตใจนะเมื่อเดียวเข้าสุก เดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็รอบเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงหมุนเวียนเ ป, นปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราเนึกว่าจิตใจเป็นตัวเราของเราจริงหรือถ้ามันเป็นตัวเราของเราจริงเราควรจะสั่งมันได้สั่งให้มันมีความสุขตลอดเวลาได้ไหมจงมีแต่ความสุขนะสั่งไม่ได้จงอย่ามีความทุกข์ก็สั่งไม่ได้มเมื่อจริงๆแล้วจิตใจกนของที่ สั่งไม่ได้สั่งจิตตัวเองว่าอย่าโลภทำได้ไหมอย่าโลภไปเดินสวนการค้านะแล้วก็เตือนตัวเองว่าอย่าโลภนะเผลอแผล่เดียวหิ้วของกับมาบ้านเยอะแยะเลยนะเพราใจมันจะโลภมันห้ามไม่ได้หรือเวลาบางทีนะผู้หญิงบางคนนะแฟนมันหลอก เราก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้จะไม่เชื่อมันอีกแล้วนะจะไม่เชื่อมันอีกแล้วพอเข้ามาพูดดีด้วยหน่อยก็เชื่ออีกนะเราสั่งตัวเองนะว่าอย่าไปเชื่อคนคนนี้แต่สุดท้ายเราก็เชื่อจนได้นะเราสั่งว่าเราอย่าไปรักคนคนนี้อีกมันร้ายเหลือเกินนะสั่งว่าอย่าไปรักมันอย่าไปรักมันสุดท้ายก็ยังรักมันอยู่เพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยก็เป็นของที่บังคับไม่ได้นะใจิตใจเนี่ยไม่อยู่นี่นบังคับของเราหรอก เพรนันจิตเองก็เป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้จริงเนี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงของจิตใจมีสติตามรู้มันไปมันโลภขึ้นมาก็รู้มันโกรธขึ้นมาก็รู้มันหลงขึ้นมาก็รู้มันฟุ้งซ่านหรือมันหดหู่ก็รู้มันสุขหรือมันทุกข์หรือมันไม่สุขไม่ทุกข์เราก็รู้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปแล้วเราจะพบมาความรู้สึกทุกชนิดเนะ ที่ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้เนี่ยเป็นของที่อยู่ชั่วคราวนะผ่านเข้ามาแล้วก็ดับไปหมดไปหายไปนะแล้วความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือเลวนะสุขหรือทุกข์ล้วนแต่ถูกบีบคั้นนะอย่งเวลามีความสุขเกิดขึ้นนะความสุขที่ผุดขึ้นมานะี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องตกใจนะ ไม่มีใครทุกข์นี่ลันดอนหรอกความทุกข์เองก็ไม่เที่ยงพราะความทุกข์มันผุดขึ้นมาเรามีสติรู้ไปนะเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ก็ถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปเหมือนกันนะร่างกายเราก็ถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปใช่ไหมใกล้วันตายก็ไปทุกทีทุกทีละส่วนจิตใจนะก็ถูกบีบคั้นจิตที่สุกเกิดขึ้นก็ถูกบีบคั้นให้หายไป จิตที่ทุกข์เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวก็ถูกบีบคั้นให้หายไปจิตที่ดีนะก็ถูกบีบคั้นให้หายไปจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็ล้วนแต่ถูกบีบคั้นทั้งหมดเลยตัวนี้เรียกว่าเราเห็นทุกขังทุกขตาอา น, นิจจตาเห็นความไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงคือสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วล้วนแต่ดับไปทั้งสิ้ น, นทุกขานี่ก็คือ สิ่งทั้งหลายที่เกิดอยู่กําลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไฟสิ้นไปให้ดับไปอันนี้เรียกว่าทุกขตาไม่ใช่ทุกขานะทุกขตาส่วนอนัตตาเนี่ยก็คือสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเราสั่งไม่ได้อย่างเราสั่งใจว่ายอย่ากโกรธห้ามไม่ได้ถ้ามันมีเหตุปัจจัยของความโกรธ เหตุปัจจัยของความโกรธมีหลายตัวนะที่ทําให้เราโกรธเนี่ยอย่างเรารู้สึกไหมเราโกรธเร็วเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธความจริงก่อนจะโกรธเนี่ยผ่านกระบวนการอะไรมาเยอะเลยอันแรกต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจบางคนบอกว่าไม่โกรธเลยนะไม่โกรธสูสีไทยฮาวไม่ก็โกรธใครเลยเธอจะโกรธทำไมอะเพราะเธอหงุดหงิดนิดเดียวเขาก็ตายแล้วอ่ะ กนะ็ไม่ต้องโกรธนะนะความโกรธก็มีเหตุกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจในขณะที่กระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนะั้นไม่มีสติอนุสัยกิเลสนะที่ซ่อนอยู่มันเคยโกรธมันสะสมความโกรธไว้ในใจมันขี้โกรธมันก็ถูกกระตุ้นนะถูกกระตุ้นด้วยพรรษาให้ขึ้นมาทํางานนะ แน่ความโกรธจะเกิดได้ก็มีเหตุปัจจัยหลายตัวไม่ใช่อยู่ๆก็ เ, เกิดได้เราต้องมีเหตุปัจจัยคือตัวกิเลสตัวโทสะนะอนุสัยทั้งหลายนะถูกกระตุ้นพุ่งขึ้นมากลายเป็นโทสะแรงๆเป็นความโกรธนะความรักก็มีเหตุมีปัจจัยของมันใช่ไหมต้องกระทบอารมณ์ที่ชอบใจนะมีความสุขอนะได้อารมณ์ที่ชอบใจอนะไรอย่างเงี้ย เราก็ตอนนั้นไม่มีสติมีอนุสัยกิเลสนะมีทางคามมันชันท้าอะไรพวกนี้อยู่นะพะมันกระทบอารมณ์มันก็ทํางานขึ้นมารักโนนรัก น, น, กนี่อยากได้นอนอยากได้นี่อะไรขึ้นมาเพราอนทุกสิ่งล้วนแต่เกิดจากเหตุไม่ใช่เกิดจากเราสั่งได้ตามใจชอบนะกระทั่งสติจิตจะมีสติหรือไม่มีสติก็ต้องมีเหตุ เหตุของสติก็คือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นยำํำนะจิตจําสภาวะได้แม่นยําเพราะเห็นสภาวะบ่อยๆพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานก็คือการมีสติะระลึกรู้สภาวะของร่างกายนะของความสุขทุกข์สภาวะกุศลอกุศลในจิตใจะระลึกรู้รูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายเนี่ยสติปัฏฐานนะั้นไม่กัน อัดรู้สภาวะท่านไม่ได้บอกให้รู้ทีเดียวเลยท่านบอกให้รู้เนืองๆรู้เนืองๆคือรู้บ่อยๆ บ, บ่อยที่สุดเท่าที่รู้ได้พอเราเห็นสภาวะบ่อยๆนะต่อไปจิตมันจาําสภาวะได้แม่นแล้วพอจิตมันจําสภาวะได้แม่นแล้วพอสภาวะ น, นั้นเกิดขึ้นเนะียสติจะเกิดเองมันจะอ๋โอกโกรธอีกแล้วนะเนี่ยจะรู้สึกขึ้นมาอ๋อโลภอีกแล้วนะอ๋อสุขอีกแล้วนะจะรู้สึกอย่างนี้นะ เพราะฉะนันเราก็หัดดูสภาวะเรื่อยๆนะแล้วสติก็เกิดเราไม่ได้เจตนาทำสติให้เกิดนะไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้เพราะสติก็เป็นอนัตตามีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดถ้าเราไม่หัดเจริญสติปัฏฐา น, นเราไม่มีสติหรอกถึงเราจะไปอ่านข้างขวดเหล้าบว่าดืม่มสุราทาให้ขาดสติเนี่ยติดอยู่ข้างขวดเหล้ามันก็ไม่ทำให้เราเกิดสติขึ้นหรอก หรือปิดป้ายอยู่ข้างถนนนะขับรถด้ยวยความมีสตนะิก็ขับไปสติไม่เกิดหรอกเพราะอะไรเพราะไม่มีเหตุให้เกิดสติไม่ได้เกิดจากป้ายโฆษณานะสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นเช่นใจลอยขับรถแล้วใจลอยแล้วประมาทใช่ไหมใจลอยอันตรายใจลอยห้ามมันไม่ไดนะ้จิตมันจะใจลอยอ่าห้ามมันไม่ได้ แต่ถ้าเราหัดรู้ความใจลอยบ่อยๆใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยเรารู้ต่อไปพอใจลอยปุ๊บสติจะเกิดเองอย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเราอ่ะเผลอไปคิดแล้วรู้เผลอไปคิดแล้วรู้ตัวนี้แหละทำให้สติของเราเกิดอย่างจิตเราเผลอไปคิดสังเกตดูแป๊บหนึ่งก็เผลอแป๊บหนึ่งก็เผลอแต่เราหัดรู้บ่อยๆทีแรกเผลอนานเผลอนานกว่าจะรู้ว่าเผลอ บางคนถ้าไม่ได้ภาวนานะตั้งแต่ตื่นจนหลับนยมีแต่เผลอไม่มีรู้สึกตัวเลยพวกเราหัดภาวนานี่ยยิ่งภาวนาเก่งนจะยิ่งเผลอบ่อยพราะเผลอปุ๊บรู้ปั๊บเผลอปุบ๊บรู้ปั๊ บ, บเผลอเร็วนะเผลอสั้นๆแล้วก็รู้อย่างรวดเร็วอันนี้เพราะสติมันเกิดแล้วทําไมแต่เดิมไม่เกิดหลังๆมาเรียนกับหลวงพ่อนะเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ ร, รู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้น เพราะจิตมันคุ้นเคยจิตมันจำสภาวะของความเผลอได้แม่นพอมันจำความเผลอได้แล้วพอเผลอปุ๊บสติจะเกิดเองพวกเราตอนนี้ใครทำตรงนี้ได้แล้วยกมือหน่อยสิเผลอเรารู้เผลอเ ร, ร้วรู้ไม่ต้องตลอดเวลาหรอกนะปุถุชนทำตลอดเวลาไม่ได้หรอกยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยสิโอ้อนุโมทนานะโอกาสที่เราจะได้มาผลในชีวิตนี้มีนะมีอยู่ ว่าเราจเจริญสติของเราได้รวดเร็วขนาดที่ว่าจิตเผลอเรารู้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะสติต้องเร็วพอถึงจะรู้ถ้าเผลอแล้วไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเผลอแล้วไม่รู้เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธความโลภความโกรธนะมันเป็นลูกของความความเผลอความหลงอีกทีหนึ่งเนะนี่ยเราหัดรู้หัดดูนรจะเห็นสติก็เป็นอนัตตาจิตก็เป็นอนัตตาอะไรอะไรเขเป็นอนัตตา ทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาบังคับถ้ามีเหตุนะถ้ามีเหตุมันถึงจะเกิดขึ้นเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆใจมันจะเข้าใจความจริงมากขึ้นมากขึ้นมันจะเข้าใจความจริงนะร่างกายนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเราเห็นความจริงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าท่านสอนนะเพ ร, ะเราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหนาย เพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะแล้วท่านมีส้อยต่อนะต่อท้ายชาติสิ้นแล้วนะพรมจรรย์จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิดอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกไม่ต้องทำอีกเงิ น, ะ ง, านงานในพระพุทธศาสนาเป็นงานที่ทาแล้วสิ้นสุดไม่เหมือนงานทางโลก ทำเท่าไหร่ก็ไม่สิ้นสุดอย่างวันนี้กวาดบ้านผู้นี้ก็ต้องกวาดบ้านใช่ไ ห, หรือว่าวันนี้ซักผ้าอีกวันก็ต้องซักผ้าวันนี้หาข้าวกินนะผู้นี้ก็ต้องหาข้าวกินเงนั้นเรื่องในโลกเนี่ยไม่มีวันจบสิ้นเป็นภาระที่ไม่จบสิ้นไม่เหมือนงานทางธรรมนะมีวันจบสิ้นสมัยพุทธกาลมีเจ้าชายกลุ่มหนึ่งคือเจ้าชายสายของกบิลพันะ ตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสั้แล้วไปกระบิลพัสนเนเจ้าชายแต่ละตระกูลนยจะส่งตัวแทนออกมาบวชแต่ละสายตระกูลต้องส่งตัวแทนมาบวชอย่างน้อยก็หนึ่งองคนะ์นี่มันมีตระกูลของพระนุรุตกับเจ้ามหานามะเนี่ยมหานามะเป็นพี่เจ้าชายนุรุตเป็นน้องนะพระมหานามะก็ไปถามพระนุรุต ว่าน้องจะบวชไหมถ้าน้องไม่บวชพี่ต้องบวชเองนะในบ้านเรามีสองคนพี่น้องเนี่ยคนหนึ่งต้องบวชเพราะสายสกุลอื่นเนี่ยเขาก็บวชทุกทุกตระกูลเลยนะทุกวงก็ เ, เหมือนวงเจ้าของเราอะนะมีนายุทธยาสายน้นสายนี้มีหลยเจ้าหลายสายเยอะแย ะ, ยะเนี่ยสักยะเขาก็มีแต่ละสายตระกูลนึงเขาจะต้องออกบวช พระนุรุตก็ถามพี่ชายว่าบวชเราต้องทำอะไรบ้างบอกบวชแล้วนะต้องไปบิณฑบาตขอข้าวเขากินนะต้องใช้เสื้อผ้าสวยๆอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ต้องไปเก็บเศษผ้านะที่เขาทิ้งแล้วเอามาเย็บสังเกต ด, ดูจีวรพระเนี่ยจะเป็นผ้าชิ้นเล็กๆต่อกันเนะพราะที่จริงคือการเก็บเศษผ้ามาเย็บ กินอาหารก็เท่าที่เขาให้เสนะื้อผ้าที่ใช้ก็ใช้จีวรใช้อะไรเงี้ยเก็บเศษผ้าเอามาใช้มเมืทีเ้ียไเก็บผ้าที่เขาหอ่อศพเอามาใช้เวลาไม่สบายนะกินเขาเรียกอะไรน้ำปัสสาวะนะน้ำปัสสาวะใครเคยกินสูตรนี้บ้างนะนายกอินเดียมีบางคนกินนะ นี่เพราะว่ามันมันจะช่วยขับปัสสาวะให้เร็วขึ้นนะกินยาพารไมจะช่วยขับปัสสาวะให้เร็วขึ้นมมนจะลดไข้ได้ทนะให้น้ำธาตุน้ำมันมุนเวียนเร็วขึ้นนะา้ากแต่กินอเรียกยาด อ, องน้ำมูดเน่าภาษาโบราณฟังยากนะจริงๆแล้วก็คือเอาสมุนไพร อ, อย่างลูกมาขับป้อมลูกอะไรแน่แช่ ในน้ำปัสสาวะไม่ใมีสารเคมีอะไรออกมานะแล้วก็อยู่ที่อยู่อาศัยไม่ได้อยู่ปราสาทไม่ได้อยู่ตึกอย่างที่เคยอยู่นะแต่ไปอยู่โคนไมนะ้เป็นพระนะน้องชายได้ยินว่าเนี่ยเป็นพระทากิจสื่อย่างเนียนะปินทบาทนะใช้ผ้าบาังสุกุลจนะอยู่โคนไม้ก็ป่วยไข้ก็หายาตามมีตามได้ น้องชายบอกงั้นไม่เอาอ่ะพี่ไปปวดเถอะมุมฉันขออยู่เป็นคราวาสเจ้าชายมหานามาก็บอกว่าถ้าน้องอยากเป็นคราวาสก็ต้องรู้หน้าที่ของคราวาสจะสอนให้หน้าที่ของคราวาสคือทํามาหากินนะหน้าที่ทํามาหากินพวกศักยะเนี่ยทํานาะพระเจ้าสุดถูทนะเนี่ยแปลว่าข้าวขาวนะ ข้ า, ขาวข้าตระกูลนี้เป็นตระกูลปลูกข้าวพวกศักยะเนี่ยทําลทำนาเพราะฉะนั้นเจ้ามหานามาตก็สอนวิธีทํานานะให้น้องชายบอกว่าถึงเวลาฝนตกนะก็ไปไถนาไถนาไถคลาดนะแล้วก็ไปหวานข้าวแล้วก็คอยดูแลนะให้ข้าวเติบโตนะ ก, ก็ื่อคอยดูน้ํามากก็เอาน้ําออกน้ําน้อยก็เอาน้ําเข้า ถึงเวลาข้าวออกรวงก็คอยระวังนกกาจะมาขโมยไปกินหนือหนูจะมากัดต้นข้าวพอต้นข้าวออกรวงเต็มที่ก็ไปเกี่ยวข้าวเอามาเข้ายุง่งฉางไว้แล้วน้องชายก็ถามว่าแล้วต้องทำอะไรอีกก็บอกว่าทำอย่างนี้แหละปีหน้าก็ทำอย่างนี้อีกปีต่อไปก็ทำอย่างนี้อีกพระอนุรธาท่านเลยบอกว่าไม่เอาแล้วภาระของโลกภาระของคารวาส ไม่มีวันจบสิ้ น, นท่านเลือกที่จะออกบวชแล้วนั้นท่านออกมาไม่นานนะท่านก็เป็นพระราหันเป็นเอตถะค่าองค์หนึ่งในด้านที่มีทิพยจักสุขทิพยจักสุคือสามารถมองได้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนรู้หมดเลยว่าคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยรู้เ <นะ S 1> จ้ามหานามามไม่บวชสุดท้ายต้องไปกระโดด เหวตายหรือกระโดดอะไรตายจะจำไม่ได้นะ่ะเป็นกษัตริย์แล้วก็เรื่องมันยาวไปหาเราเองชีอเขียนเล่าคืนเล่าแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมะต่อแล้วม่อได้ฟังนิทานสรุปก็คืองานทางโลกไม่มีวันสิ้นสุดแต่งานทางธรรมมีสิ้นสุดนะเราเข้าใจความจริงของกายของใจได้เห็นความจริงมันจะเบื่อ มันจะไม่ลงรักกายหลงรักใจต่อไปแล้วไม่จะเบื่อหน่ายมันจะคลายความยึดถือแล้วในที่สุดมันก็หลุดพ้นพอหลุดพ้นก็จะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วะกิเลสมันสิ้นแล้วจิตใจมันเป็นอิสระมันจะรู้ได้ตัวเองนันอิสระอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นเลยตอนที่จิตมันหลุดออกไปคราวแรกเนี่ยนะประเภทมันสะเทือนในจิตใจเนี่ยสะเทือนอย่างรุนแรงนะ ครูบาอาจารย์นีพูดโลกาธาตุสัตเดือนนี่ยโลกาธาตุปั่นไววมันสะเทือนออกไปจากใจเราน้ำหูน้ำตานะร่วงพลูเลยความสุขนะความสุขอย่างนี้ก็มีด้วยหรอือความสุขจากการเข้าถึงบีมุดหลุดพน้นเนมันเป็นความสุขที่มหาศาลมากเลยความสุขอย่างโลกๆกเนี่ยเทียบไม่ติดเลย อย่างกามาสุขที่พวกเราใฝ่ฝันกามาสุขคือความสุขจากการมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสอะไรพวกเนี้น่ะเรียกว่ากามาสุขไปดูหนังฟังเพลงไปเมคเลฟไฟอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นกามาสุขกามาสุขเนี่ยถ้าเทียบกับฌานสุขนะก็เทียบไม่ติดนะถ้าจิตที่ทรงฌานเนี่ยมีความสุขมากกว่าจิตที่เพลิดเพลินกับการกินของอร่อยๆฌานสุขเนี่ยมันอิ่มเอิบ ส่วนโลกุตละสุขนะสูงกว่าฌานสุขอีกนะมันเป็นความสุขของอิสระชนนะอิสระชนเป็นความสุขของคนทึ่สิ้นภาระแล้วนะไม่มีภาระที่จะต้องแบกหามอีกต่อไปแล้วเป็นความสุขที่มหาศาลจริงๆหนระือพวกเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงความสุขนี้ได้เมื่อกี้ถามว่าใครรู้บ้างว่าจิตไหลไปนะ หลายเรารู้หลายเรารู้ทำตรงนี้ได้เนี่ยไม่ไกลแล้วลวนะไม่ไกลละคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เคยเห็นจิตใจของตัวเองเราเขาเห็นแต่รูปข้างนอกได้ยินแต่เสียงได้สัมผัสแต่กลิ่นสัมผัสรสนะสัมผัสสิ่งที่มากระทบร่างกายหรือหลงอยู่ในโลกของความคิดคนในโลกสัตว์ในโลกนะกระ ท, าท่าเทวดาพรหมที่ไม่ได้ภาวนาก็หลงอยู่แบบเดียวกันนี้ หนะลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพ์ทั้งหลายนั่นเองหรือหลงเพลิดเพลินทางใจนะนี่ถ้าเราภาวนาเป็นนะจิตใจเราสงบขึ้นมาเนะล่นได้ชานสุขจิตใจสงบขึ้นมาเนี่ยเรานึกย้อนไปดูเนะี่ยโวยความสุขของโลกเนี่ยนะอโทษนะจะรู้สึกเลยความสุขขี้ ข, ข้ไม่ใช่ของดีของยิ่งใของขี้ข้กระจอกนะของสบปรนะบอะ ในขณะที่ชานสุขเนี่เหนือกว่ากันเยอะเลยอย่างพวกพระนะพระเนี่ยตาหลักเกณฑ์ของพระเนี่ยบวชต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ห้าพันษาห้าปีห้าปีเนี่ยต้องอยู่กับครูบาอานะจารย์ต้องเรียนนะถ้าครูบาอาจารย์เนี่ยเข้มงวดกวดขันเนี่ยห้าปีก็พอจะช่วยตัวเองได้นะนี่พระบวชใหม่ๆนะอยากศึกอยากศึกอยากศึกนะ ที่วัดของพ่อก็มีบวชใหม่ๆนะก็อยากศึกคิดถึงความสุขในโลกที่เคยมีเคยเป็ น, นเคยมีเมียอยากกลับไปมีอีกเคยหาข้าเวเย็นกินได้ก็อยากไปกินอีกเคยนอนที่นอนนุ่มๆ ม, ม, มีผ้าห่มอุ่นๆนะก็อยากจะ อ, อย่างนั้นเองมาอยู่เป็นพระอยู่ในวัดนั้นมันนาฏคัดกอดกันเยอะเนี่ยพอมาบวชทีแรกเนี่ยใจมันหิวโหยมันคิดถึงการมาสุข เหนะมือนรู้สึกเนี่ยเป็นของดีของวิเศษแต่พอมาบวชมาภาวนามาอะไรถึงช่วงหนึ่งนะเนี่ยมีองค์หนึ่งเพิ่งขอลาไปทุร้ที่บ้านนะพอไปที่บ้านนะถ้าพระบางองค์ขอกลับบ้านเนี่ยหลวงพ่อไม่ให้ไปนะองค์นี้หลวงพ่อดูแล้วเออไปได้ไม่อันตรายพรากฏว่าไปอยู่บ้านไปทําทุร้ทางบ้านนะวันสองวันแนคะ่นั้นรีบกลับวัดเลย รู้สึกว่าโลกนี้ไม่ใช่ที่ของเราอีกต่อไปละโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายโลกนี้มีแต่ภาระโลกนี้มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยความเคร่งเครียดนี่นคนในโลกเนี่ยวนเวียนอยู่เงี้ยงั้นอย่างพวกเราติดอยู่ในโลกเราไม่รู้หรอกว่ามันถูกถ้าเมื่อไหร่เราถอนตัวออกมาจากโลกสักชั่วคราวนะอย่างเราอยู่ภาวนาหรือเล่นภาวนาอยู่สองปีสปีปีปีอะไรเนะี่ย กลับไปอยู่ที่โลกนะไปดูโลกเนี่ยเราจะรีบถอยเลยโลกนี้ไม่ได้น้าวิเศษปีโสไม่ใช่ของดีของวิเศษเท่าที่เราเคยคิดเคยนึกเลยอย่างพวกเราเนี่ยถ้าหลวงพ่อบอกออกบวชวันนี้เลยไหมไม่เอาหรอกไเพราะอะไรเพราะเราติดโลกนะแต่ถ้าพอไปบวชไปภาวนาเข้าสักช่วงหนึ่งนะบอกว่าไปอยู่กับโลกไหมไม่เอาหรอกอยู่ไม่ได้แต่ว่าพระที่เอาตัวรอดได้อย่างนี้ก็ไม่มากหรอกนะ ส่วนใหญ่ก็คือยังติดโลกอยู่นั่นแหละมือดีบวชพรรษามากมายแนละ้วแต่ไม่ได้ฝึกกรรมฐานก็หาอะไรเล่นเพลินเพลินไปไใจมันก็วกเวียนอยู่กับโลกนั่นเองวันๆก็เล่นอินเทอร์เนต็ตไปเรนะื่อยๆนะมีเฟซบุ๊กมีไลน e อะไรเงี้ยถ้าพระอยู่กับหลวงพ่อเนะี่ยไม่ไม่ให้เล่นนะ Facebook เล่นไลน์เล่นอะไรเงี้ยแต่บางองค์ต้องติดต่อ ง, งาน งานของสงฆ์อย่างนี้เอาไว้ใช้ทํางานอย่างนี้โอเคให้เอาไว้เล่นอะไรเพลินๆอยู่กับโลกไม่ให้ใจไม่ใชะหิวโลกจะอยากกลับมาอยู่กับโลกงั้นอย่างเราภาวนาเนี่ยทีแรกเรารู้สึกโลกเป็นของดีของพิเศษอย่างพวกเราเนี่ยโลกเป็นของดีของพิเศษน่ะลงภาวนาให้จิตรวมสักทีเถอะตอนเป็นฆราวาสนี่แหละจิตรวมเขาสักทีเถอะจะรู้ว่าโลกไม่ใช่ของดีของพิเศษเลยกระจอกที่สุดเลย หลวงพ่อเคยภาวนาตั้แต่เด็กนะจิตรวมเข้าสมาธินะจิตมีความสุขมีความสงบนะอยู่กับโลกเนี้ยไม่หลงกับโลกหรอกนะอยังไม่ติดนะสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามา ใ, ชในชีวิตเรานะเราทําหน้าที่ในปัจจุบันของเราให้ดีให้เต็มที่ผ่านไปแล้วก็แล้วไปไม่อะไรอะบอล น, นะไม่ห่วงหาอาวร อ, อย่างหลวงพ่อเรียนจุรา จบจุฬาเรียนจุฬาอยู่หลายปีเรียนทั้งปริญญาตรีปริญญาโทอยู่จุฬานะอยู่จุฬาเรียนจบเนนะจบก็คือจบนะใจไม่ได้กลับมาผูกพันหนะยุดติดนี่สถาบัานเราใครว่าไม่ไดนะ้เราต้องรวมพวกไิติกับสถาบัานอื่นอนะไรเงี้ยความรู้สึกอันนี้ไม่มีเนะนี่ยเพราะเราภาวนาเราเรารู้โลกนี้มันของชั่วคราว ทุกอย่างในชีวิตเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราไม่ยอมให้ส <1955, S 1> ิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเราจะทุกข์อย่างแสนสาหัสเลยเรายอมรับตรงนี้ไม่ได้จะทุกข์มากเลยนะอย่างคนที่เรารักเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านไปมันเป็นนอกใจเราอเงี้ยเราทุกข์เลยถ้าเราทนไม่ได้เรายอมรับความจริงไม่ได้แต่ถ้าเราเคยหัดดูทุกอย่างผ่านมาในใจเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคนที่เรารักนอกใจเราไปนะเรายอมรับได้ เพราะเรารู้เลยว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของโชคเราคนที่เรารักนี่ก็ของโชคเราถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องผ่านไปบางคนผ่านไปเร็วกว่าที่คิดบางคนผ่านไปช้ากว่าที่คิดผ่านไปช้ากว่าที่คิดมีความสุขไหมเช่นพ่อแม่เราเป็นอัมาพาต ก, กระดูกดิกไม่ได้กลางคืนเราต้องตื่นขึ้นมาทุกสองชั่วโมงเพื่อจับตัวพลิก พริกไปพลิกมาไม่ให้เป็นแผลกดทับนะแล้วอายุยืนมากนอนอยู่อย่างเนี้ยสิบปียี่สิบปีอ่ะถ้าตายเนี่ยจะรู้สึกโล่งใจนะเพะฉนันมันทุกอย่างที่คงที่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ทนทุกข์ไม่ไหวนะบางทีของที่เราชอบมันหมดไปสิ้นไปเร็วกว่าที่คิดเราก็ทนไม่ไหวเนี่ยใจมันมีแต่คาว่าทนไม่ไหวทนไม่ไหวใจที่ทนไม่ไหวนั่นแหละมันจะทุกข์ อย่างคนที่เรารักสิ่งที่เรารักพลัดพรากไปเรายอมรับไม่ได้เราไม่เคยเห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาล้วนได้ผ่านไปยอมรับตรงนี้ไม่ได้พอคนที่เรารักพลัดพรากไปนะเราก็ทุกทรัพย์สมบัติของเรานะอย่างซื้อบ้านมาผ่อนส่งตั้งนานนะผ่อนส่งเสร็จไฟไหม้เนียไฟไหม้ไปแล้วกําลังที่ทุ่มเต ม, มาสิบปียี่สิบปีศูนย์ไปแล้วเนี่ ย, ยใจเราทนไม่ได้ ใจเราจะมีความทุกข์เนี่ยเราภาวนานะเพื่อจะได้ให้เห็นความจริงว่ากระทั่งร่างกายเรามันก็อยู่ชั่วคราวความรู้สึกทั้งหลายในใจเราก็เป็นของชั่วคราวถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ได้เนะี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่ทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์กไม่มากทุกข์มากก็ทุกข์ไม่นานจะทุกข์แป๊บๆเดี๋ยวก็หายแล้วแต่ฝีมือในการฝึก เนีฝึกมากข้ามากข้าวจรู้ว่าโลกนี้หาสาระไม่ได้นะโลกที่เราคิดว่าสวยงามดีเราแย่งชิงกันทุกสิ่งทุกอย่างแย่งชิงมาเพื่อวันหนึ่งก็จะต้องปล่อยทิ้งเอาไปไม่ได้แย่งอำนาจแย่งเงินมีเงินหมืนล้านน่ะกินข้าวได้เยอะกว่าคนปกติหก็กินแท่เท่าที่คนธรรมดาจะกินได้เท่านั้นเองใช่มมีเสื้อผ้าพันชุดเนะี่ย มันก็ใช้ได้ทีเลยชุดเหมือนที่คนธรรมดาเขาใช้อพราะฉันมีมากๆนะบางทีเป็นภาระนะเหน็ดเหนื่อยในการหามาเหน็ดเหนื่อยในการรักษาไว้นะแล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่ค่อยจะได้เพราะฉะนนเราค่อยๆเรียนนะค่อยๆสังเกตสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตเราจริงๆเนี่แหละนะร่างกายจิตใจทรัพ ส, สมบัติครอบครัวนะหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนความฝันผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสิ้นเอาไว้ไม่ได้นั้นใจมันเข้าใจความจริงมันจะคลายออกคลายออกนะมันจะเห็นโ ล, โลกนี้น่าเบือ่อโลกนี้ไม่น่าอภิรมน่าชื่นชมยินดีอะไรเลยโลกนี้มีแต่ภาระมีแต่ความกังวลเมื่ใจอย่างนี้เห็นอย่างนี้นะใจคลายออกจากโลกมันจะคลายจากโลกที่บนเวียนอยู่ในกามเนี่ยไปสู่โลก ที่ละเอียดยิ่งขึ้ น, นโลกของพรหมนะโลกของพรหมคือโลกของความสงบสุขถ้าเราเข้าสมาธิได้เราจะรู้ว่าโลกนี้หาสาระไม่ได้นะคนในโลกน่าสงสารนะแล้วถ้าเราบรรล้มรรคผลนะเราก็จะเห็นว่ากระทั่งพรหมทั้งหลายนะที่มีรูประโลกอรูประโลกอยู่นั้นพรหมทั้งหลายก็ยังมีความทุกข์ไม่พ้น พรทั้งหลายก็ยังตายได้ยังพลัดพราดเหตุสิ่งที่ชอบใจได้ยังเกิดความเบื่อหน่ายได้อยู่เป็นพรมนานๆมันที่เบื่อนะใจมันคลายออกจากฌานนั้นมันเบื่อมันก็วนเวียนลงมาสู่กามอีกเนี่ยถ้าเราขึ้นโลกุตตะานัย้อนมาดูนะไอ้กามภูมิเนี่ยไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกรูปภูมิมารูปภูมิเนี่ยก็ไม่ได้ดีพิเศษอย่างที่เคยคิด มันไปถึงโลคุตระภูมิพอถึงโลคุตระภูมิมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราอีกแล้วละใจที่มันปล่อยใจที่มันวางนะเข้าถึงโลคุตระที่แท้จริงมีแต่ความเป็นอิสระมีแต่ความสุขอันมหาศาลเพราะงั้นพวกเราพยายามนะมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกจิตใจของตัวเองเนืองเนืงรู้สึกเนืองเนงไป แล้วต่อไปสติมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะจิตมันจําสภาวะได้อยังหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเลยรู้สึกเนืองเนืองต่อไปพอร่างกายขยับนะี่มันจะรู้สึกเองอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะภาวนามาตั้งแต่ต้นเนี่ยที่เจอหลวงพู ด, ดูดเนี่ยหลวงพ่อเดินวิปัสสนาด้วยการดูจิตเอาเห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะจิตเกิดทางตาหูจมูกลิน้นกายใจเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะ วันหนึ่งนะหลวงปู่ดุลท่านรับหลองแล้วว่าหลวงพ่อช่วยตัวเองได้แล้วไม่หลงทางแล้วหลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักต่างๆที่มีชื่อเสียงไปดูซิว่าเขาภาวนากันยังไงวันหนึ่งเข้าไปวัดสนามใหนหลวงพ่อเทียนท่านกำลังสอนอยู่ท่านสอนขยับมือทำจังหวะเนี่ยสิบสี่จังหวะเนี้ยสอนอยู่หลวงพ่อก็ดูหลวงพ่อเทียน เออหลวงพ่อเทียนขยับไปพูดไปบรรยายไปหลวงพ่อเทียนไม่ขาดสติหลวงพ่อเทียนมีสติดีมากๆเลยสมบูรณ์ใช้ได้เลยในขณะที่ลูกศิษย์นั่งขยับเนะี่ยพวกหนึ่งก็นั่งคิดท่านี้แล้วต่อไปจะไปท่าไหนท่านี้แล้วต่อไปท่าไหนนะีพวกนี้หลงอยู่ในความคิดไม่เหมือนหลวงพ่อเทียนนะอีกพวกหนึ่งไปเพ่งใส่มือนะจิตไปจ้องอยู่ในมือมือจ้อง จ, จ, จ้องจ้อใจเครียดเครียดซื้อบืออยู่ก็ไม่เหมือนหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนรู้สึกกายไม่ใช่บงังคับกายไม่ได้เพ่งกายบางคนหนักกว่านั้นอีกจิตหนีออกไปนอกวัดแต่ขยับจนชำนาญ น, นะจนกระทั่งขยับได้ด้วยไขยสันหลังไขสันหลังสอนให้ขยับขยับอัตโนมัติเลยเนี่ย ใจนีไปคิดอะไรก็ได้นะแต่มือนึกขยับถูกเป๊ะเลยนะสวยด้วยนะตัวก็ตรงใจนีไปก็ไม่เหมือนหลวงพ่อเตียนอีกหลวงพ่อเตียนขยับไปขยับมาพูดไปพูดมานะก็มีสติอยู่หลวงพ่อเห็นอย่างนี้เออเข้าท่าดีฮะลองบ้างสิก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ในวัดท่านนั่นแหละนั่งใต้ต้นไม้ขยับบ้างขยับไปเรื่อยๆนะดูท่านเล้วทตาม ขยับสพัพพะหนึ่งลำคาญหลวงพ่อเป็นพวกโทษ<ฮ>าจริตมีอะไรพลุงพลังทั้งสิบสี่จังหวะนี่ลำคาญมากเลยนะไม่ไม่เอาลำคาญงูดหงิ ด, ดเอาแค่นี้พอนี่ยขยับแค่นี้แหละนะแค่นี้เมื่อยขยับนะเดินจงกรมนะเดินจงกรมเดินจงกรมเมื่อยหลวงพ่อเดินด้วยนิ้ว ไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยกับเดินด้วยเท้านะคือเคลื่อนไหวด้วยความมีสตินั่นเองนะเนี่ยขยับลองขยับร่างกายแล้วมีสติคอยรู้สึกอยู่ไม่กี่วันวันหนึ่งนะเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้วเห็นแล้วดีใจดีใจไม่รู้ว่าดีใจขาดสติเพราะอะไรเพราะว่าไอ้คนนี้ไม่เจอมันนานแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันมากตั้งแต่เด็กนะก็จะก้าวเท้าข้ามถนนนะ หันซ้ายหันขวาไม่มีรถแล้วก้าวเท้าพอเทา้าเคลื่อนท่านะร่างกายเคลื่อนไหวนะสติเกิดทันทีเลยเพราะเราเคยฝึกอย่างีเรารู้สึกใช่ไหมคราวนี้เทา้าเคลื่อนก็รู้สึกได้เองไม่ใช่ต้องฝึกมือแล้วต้องมือเคลื่อนหรือรู้สึกนะฝึกขยับมือนี่แหละตรงไหนในร่างกายเคลื่อนรู้สึกได้หมดเลยะเนี่ยเทา้าขยับสติก็เกิด มพระันจริงๆแล้วสตินะเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นพวกเราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆนะนั่งอยู่ก็รู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้หายใจออกหายใจเข้าก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้โลโกรดหลงฟุ้งซ่านหดหู่หรือจิตใจกุศล น, นี่มา ก, ก็ค่อยรู้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปและสุดท้ายจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับใจจะค่อยๆพัฒนา ที่สุดท่าเข้าสู่โลกุตตระได้นะไม่ยากยากไปไหมนั่งอยู่รู้ว่านั่งยากไหมเนยใส่น้ า, นารู้ว่าใส่น้ายากไหมไม่ต้องใส่แล้วอืมอไอ้นั่นที่ปัดน้ำฝนนะน ะ, นะเมื่อกี้หัวรารู้ไหม อ, อ ถ้าหัวล้อเห็นร่างกายหัวเล้ออยู่นะใจมันจะหายํานะไปหัดดูนะไปดูให้ชํชนานิชํานาญแล้ววันหนึ่งเราจะไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะไม่ได้ศูนย์ไปนะิพพานเราไม่ได้ศูนะ์แต่ไม่ได้มีอยู่เป็นองค์องี้ยที่พวกเรารู้สึกหรอกนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นกิเลสสิ้นตัณหา สิ้นรูปนามสิ้นความปรุงแต่งนะเป็นสภาวะที่สะอาดบริสุทธิ์นะมีอยูนะ่วันหนึ่งก็จะไปถึงได้นะถ้าเราไม่ท้อทีนงการปฏิบัติตั้งกตั้งใจทำให้จริงจังเราค่อยไปเจอกันที่โน่นเนาะเรานัดกันแล้วนะใครจะนัดกับหลวงพ่อบ้างนะเออถ้านัดแล้วจะไปเจอกันนะไปเจอกัน วันนี้สมควรเก็บเวลาละหมอไม่ให้พูดเยอะพอพูดแล้วเสียงต่อไปจะไม่มีเสียงนครับก็วันนี้มีญาติธรรมนะครับได้นำปัจจัยและทยธรรมมาถวายนะครับทางทีมงานจะนำถวายหลวงพ่อถัดไปนะครับเดี๋ยวพวกเราเอา่อร่วมกันตั้งใจกล่าวคำถวายทาน โดยพร้อมเพียงกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายา เ, าเครื่องปัจจัยและทยธรรมรกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ไ ด, ด้หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรโดรับเพือพ่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวกราบสิน้นการละนานเทินสาธุภาวนาเขานะตั้งหกตั้งใจเขา้าอย่าเพิ่งไปติดหวัดนะอ่าได้พอนานา น, านานหน่อย